บทว่าสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายค่ะกราบนมัสการค่ะจริงๆอืมแต่ก็ ที่สถานที่ปรัศรุของพระค่ะคือดิฉันเองพอทราบข่าวก็นึก เขาจะมีการตรวจสอบอ่ะเขาก็ไม่ได้ตรวจเรามากแต่เห็นบรรยากาศของการที่จะฮะอืมนะคะ เหมือนกับเป็นการระเบิดอยู่รอบนอกกับเป็นการระเบิดอยู่รอบนอกไม่ได้ไปถูกจุดดีมั้ยคะท่านผู้ก็ถ้าพูดนะในใน เอ่อพอตัวพระองค์เนี่ยตอนนั้นเป็น นะก็จึงเบื่อหน่ายจากทํานั้นแล้วก็จาริกไปเที่ยวบริเวณนั้นในมะกตราชนะจนมาถึงที่แถวนั้นน่ะนะแถวนั้นเค้าเรียก<ใช> แล้วก็มีป่าปงประพงสบายดีนะที่นี่แหม่มันมันควรที่ นะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ได้ทําความน้อยนะอาจจะถึงเป็นหลายปีก็ นะพระพุทธเจ้ากล่าวถึงสถานที่อย่างที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็น 1 ใน นะ, 4 สถานที่ที่บุคคล<อ> ก็จะเกิดความสลดสังเวชว่าโอ้ที่โหมันมันยิ่งร้ายแรงกว่าบึ้มๆแล้วก็ไม่มีอะไรใครเป็น นี่มันมันเกิดขึ้นมาแล้วนะคุณโยมติมันเกิดขึ้นมาแล้วต้นตายหมดแล้วนะคิดดูแล้ว โอ้โหมันมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะนะสภาพอืมก็หลายอย่างเรารู้สึกสลดสังเวชนะนี่เอ่อต้องคิดพิจารณานะ เหตุอะไรต่างๆเอ่อมันมันต้องแก้ไปตามเหตุนะ บทที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวชนะที่เพลอมากอืมใช่ขอขออนุญาตอ่านได้มั้ยคะได้ๆๆว่าสถานที่ที่ควร 1 สถานที่ที่ควรเห็นละควรเกิดความสลดสังเวตแ oppose แกกคอรบุธผู้มีสัทธาว่าตัฐาคดประสูตรแล้วแล้ว ที่rates สันที่ที่ควรเห็นละควรควรเกิดควร Europeans สังเวตแlyaก คอรบุธผู้มีสัทธาว่าตัฐาคด Exercchnet ประสรุอนุตรสัมมาสัมโพทยาแล้ว จำปาลที่ป่าอิสิปตนะเมืองกาญจยวันส่วนสถานที่ที่ 5 ก็เอ้ยขออภัยค่ะสถานที่ที่ 4 สถานแล้วณที่ นะที่นี้บ้างประถาคตได้ประสรุอันุตรสมาสัมโพที vein แล้วนะที่นี้บ้างประถาคตได้ประกาษอันุตรธ无จักษ์ให้เป็นไปแล้วนะที่นี้บ้างประถาคตได้ปริมิปรพ ค่ะท่านค่ะพระสูตรนี้ค่ะที่บอกว่าชนเหล่าใดเที่ยวไป คุณมีความสลดสงเวชคุณมีความเลื่อมใสแล้วคุณตายคุณไปสวรรค์นะเรามาดูก็ได้อย่างขอทานที่อยู่ข้างๆเจดีย์พุทธคยาก็มีนะเค้าลักมัน คุณมีความเลื่อมใสมั้ยถ้าคุณมีศรัทธามีมีแล้วพระบูชาด้วยการปฏิบัติถามว่าโอ้องค์นั้นฉันจะไม่ ไปแล้วเกิดความสลดสังเวชใช่แล้วความสังเวชแล้วนะคุณโยมเตียวค่ะเอ่ออย่างอย่างสมมุติถ้าเราเจอต้องต้องไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงเพราะว่า มันสลัดสามเเบะอามาจะอธิบายยังไงคุณโยมเตียวสลัดสามเเบะมันได้ๆท่านลองแสดงความเห็น หรือว่าจะเป็นแบบพระๆมาให้คนในศาสนิกนั้นนับๆนะมันมีหลักการโอ๊ย ก็เกิดความคิดถึงธรรมะของพระศาสดาเลยนะคะ ก็สังเกตตรงนี้นะคือว่าถ้าเราร่ําให้คร่ําครวนเสียใจเนี่ยมันเราจะจมอยู่ใน 1 อยู่ตรง สรุปก็เรียกว่าเสียใจนี่โน่นนะไม่ถูกละอ่าอันนี้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่สําหรับได้ดีกว่า วิธีการเข้าห้องน้ําก็ต้องมีเทคนิคพิเศษอ่ามีห้องน้ําที่ใหญ่ที่ เขาไหว้ยังไงนะคะที่เอาตัวลาภไปกับอ่ารู้ เมื่อได้ทําอะไรมากที่สุดดีที่สุดกับเรื่องนั้นๆแล้วอืมก็ก็ค่ะอันนี้ๆที่จะมา 4 สถานๆที่เข้ามา ถ้าเป็นรายการท่องเที่ยวคงจะเล่ากันได้สนุกมากกว่านี้ ชีวิตนี้มีๆเราเข้าถึงธรรมของพระศาสดานําๆคนที่ไปแล้วค่ะก็หวังว่า สวัสดีค่ะครอบฟังที่กรุณารับนี่คือราย FM 106 แห่งนี้ล่ะค่ะ